ยิ่งไปกว่าคำพีอภิธรรมแต่คนที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จาเป็นจะต้องศึกษาเรื่องอภิธรรมให้ทั่วจึงจะสามารถหยิบประเด็นในเรื่องนี้ออกมาปฏิปตอกันและในที่สุดทำให้เข้าใจเรื่องนี้ได้โดยละเอียดนักศึกษาอภิธรรมที่ไม่รู้จักปฏิปตอเรื่องหรือไม่รู้จักประยุกจะมองไม่เห็นว่าในคำพีอภิธรรม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 เจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะเจตสิกเจ็ดอย่างนี้คือหนึ่งผัสสะ 2. เวทนา 3. สัญญา 4. เจตนา 5. เอกคัตตา 6. ชีวิ ต, ตินทร มณสิกาน